ครับลำดับนี้ขอกับรัตนาท่านพระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชได้เมตตาบัรจ่ายทำให้กับคณะญาติโยมสาธุชนชาวราดพร้าวบางกะปิจตุจักบางเขนได้รับฟังในโอกาสต่อไปขอกับรัตนาครับกลับพระอาจารย์คำจันทนะครับแล้วก็พระเถรานุเถระอาจารย์พรโยมทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อมาเจอพวกเราในงาน หลวงปู่นะหลวงปู่ท่านก็แสดงธรรมะให้เราดูละท่านมรณภาพให้เราดูพวกเราเองก็ยังไม่แน่ได้ข่าวว่าพื้นสาลาไม่แข็งแรงใช่ไห <laughs> งันไม่แน่นะว่าจะฟังได้จนจบนะชีวิตจริงๆเป็นของไม่แน่นอนนะชีวิตเราเต็มไปด้วยความแปรปรวนตลอดเวลาคนที่มีสติมีปัญญาก็ต้องเตรียมตัวนะ เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวท ja> anyway> cool ี่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งหลายตลอดชีวิตที่ผ่านมาพวกเราสังเกตไหมเราเที่ยวแสวงหาความสุขตลอดเวลาตั้งแต่เล็กๆมานะก็อยากได้ความสุขแต่ความสุขเหมือนภาพลวงตาวิ่งหาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเจอสักทีเหมือนเหมือนจะได้มานะแล้วก็หลุดมือหายไปทุกครั้งเป็นอย่างนี้ตลอดเวลา เราลองนึกทบทวนในชีวิตของเราที่ผ่านมานะเที่ยวแสวงหาความสุขมาตั้งเท่าไรเท่าไรอยากโน้อนอยากนี้ไปเรื่อยพอได้มาแล้วไม่นานมันก็หายไปใครมีแฟนแล้วลองถามใจตัวเองดูนะตอนจะจีบสาวทีแรกรู้สึกไหมตื่นเต้นคิดว่าถ้าได้มาเราจะดีพอได้มาจริงๆเราก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะถ้าหายไปได้จะดีกว่าอะไรอย่างี้ เนื้อหาได้ใหม่ก็จะดีกว่างั้นใจนี่นะจะหาความเต็มไม่ได้มันขาดอยู่ตลอดเวลามันหิวอยู่ตลอดเวลางั้นใจเราพล่องตลอดเวลาเต็มไปด้วยความอยากทุกครั้งที่ใจเราเกิดความอยากใจจะเกิดความทุกขนะ์เราค่อยๆสังเกตใจของเราให้ดีการศึกษาธรรมะเนะี่ยไม่ใช่ฟังเล่นๆฟังแล้วต้องปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็คือต้องดูของจริง ดูของจริงลงไปในใจเราจริงไหมเวลาที่มันอยากเวลาความอยากเกิดขึ้นใจมันจะดิ้นรนเวลาใจดิ้นรนดูออกไหมว่ามันทุกข์นี่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่ที่ใจเราเรื่อยเราเห็นว่าความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวอยากนู้นเดี๋ยวอยากนี้เดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสทางกายที่ดีๆอยากจะคิดนึกปรุงแต่งอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจนี่ พอไปเจอของไม่ดีก็อยากให้มันหายไปอยากให้มันพ้นไปทุกครั้งที่ใจเกิดความอยากใจจะมีความทุกข์โดยอัตโนมัตินะว่ามีความอยากแล้วใจมันจะดิ้นรนใจที่ดิ้นรนใจที่ปรุงแต่งนั่นแหละใจนั้นมีความทุกข์ลองดูนะลองดูของจริงว่ามันทุกข์จริงไหมเวลาอยากแค่อยากเห็นหน้าหลวงพ่อแล้วคนอื่นบงังรู้สึกสุขหรือทุกข์ล่ะนะอยากขึ้นศาลาแล้วขึ้นไม่ได้อะสุขหรือทุกข์ล่ะนะ นั่งตรงนี้พวกที่แย่งที่นั่งได้แย่งที่นั่งได้แล้วทําให้ดูออกไหมมันไม่ได้สุขจริงหรอกนั่งไปเดี๋ยวหนึ่งก็เมื่อยนะนั่งเดี๋ยวหนึ่งก็หนาวเดี๋ยวร้อนตรงนี้คงไม่หนาวนะนั่งแล้วก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวน้ําเดี๋ยวก็กระวนกระวายเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเนี่ยใจมันจะมีความอยากขึ้นมานะอยากสุขอยากสบายแต่ดิ้นรนเท่าไหร่ก็หาความสุขหาความสบายไม่ได้เสียจริง ดิ้นตอนแก่นะดิ้นจนแก่ดิ้นจนใครเคยเห็นคนแก่ๆบางคนนะหรือคนเจ็บป่วยเจ็บหนักๆพอเจ็บหนักๆนีนะ่ยังคิดเลยว่าถ้าตายจะได้คงจะมีความสุขเนี่ยหาความสุขมาตั้งแต่เด็กดิ้นรนไปเรื่อยจนสุดท้ายนะคิดว่าตายตายให้มันพน้พนไปนะคนทุกข์พร้อนไปเจ็บป่วยนานๆเข้าอยากตายซะอีกแสดงว่าชีวิตนะมันไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงหรอกความสุขเป็นภาพลวงตานะเกิดขึ้นแวบๆบแบบเดี๋ยวก็หาย สิ่งที่เป็นจริงของชีวิตเราคือความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ใช่สอนว่าให้ดูโลกแง่ร้ายถ้าหากท่านสอนบอกว่าชีวิตเป็นทุกข์อย่างเดียวเนี่ยถ้าท่านสอนอย่างนี้นะนี่เรียกว่าท่านมองโลกแง่ร้ายแล้วท่านไม่ได้มองโลกแง่ร้ายเพราะท่านบอกวิธีที่จะออกจากความทุกข์ด้วยนะไม่ใช่สอนบอกชีวิตเป็นทุกข์อย่างเดียวท่านสอนวิธีที่เราจะพ้นจากความทุกข์อันนี้การปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็นทางเดียวที่จะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ ความทุกข์มันเกิดจากใจเรามีความอยากใจมันมีความอยากมันดิ้นรนมันปรุงแต่งนะใจมันอยากเพราะอะไรเพราะมันยึดถือมันยึดถืออะไรมันยึดถือกายยึดถือใจนรู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นของเราอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากให้มันแข็งแรงตลอดเวลานี่ความอยากมันถ้าเกิดขึ้นมันอยากขึ้นมาได้เพราะมันยึดถือในกายในใจนี้ถ้ามไร เกิดสติปัญญานะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจตัวเองได้อย่างแจ่มแจ้งว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเหรอกกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะมันจะหมดความยึดถือในกายในใจนะถ้าหมดความยึดถือกายยึดถือใจนะจิตมันก็เป็นอิสระขึ้นมาร่างกายจะเจ็บป่วยจิตก็ไม่ป่วยด้วยนะร่างกายจะแก่จิตก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายจิตก็ไม่เดือดร้อนอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิต ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปหนึ่งจิตใจจะไม่เดือดร้อนไปด้วยไม่ใช่เจอความสุขก็อยากได้อยากให้อยู่นานๆเจอความทุกข์ก็อยากให้หายไปเร็วๆไมมีความอยากขึ้นมาเวลาเรามีความทุกข์แล้วเราอยากให้หายดูออกไหมอยากยังไงก็ไม่หายเนี่ยเพราะว่าความทุกข์ไม่ได้หายไปเพราะเราอยากนะยิ่งเราอยากยิ่งทุกข์มากกว่าเก่าอีกงั้นถ้าหากใจของเราเป็นกลางได้กับสภาวะทุกสิ่งทุกอย่าง ความสุขเกิดขึ้นใจเราเป็นกลางนะไม่หลงเราเริงไม่หลงยินดีไปใจไม่ดิ้นรนใจจะมีอิสราภาพนะใจจะมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เกลียดมันนะใจก็จะเป็นกลางใจเป็นกลางใจก็มีความสงบมีความสุขขึ้นมาได้ใจที่ไม่สุขไม่สงบมันไม่เป็นกลางมันดิ้นรนอยากโน้นอยากนี он, กน้ไม่อยากโน้นไม่อยากนี้ไปเรื่อยงั้นวิธีการที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ในใจเราเนี่ยมันทําได้หลายแบบอันแรกเลย คนทั่วๆไปหรือสัตว์ทั่วๆไปเวลาเขาเกิดความอยากขึ้นมาเขาะจะหาทางตอบสนองความอยากยังอยากดูหนังกรุ่มใจอยากดูหนังก็ไปดูหนังซะก็าหายอยากเงีพนอะหายอยากก็สบายใจอยากกินอะไรอร่อยๆก็ไปหากินซะเดี๋ยวก็สบายใจเนี่ยตอบสนองความอยากไปเรื่อยๆมันก็แก้ทุกข์ได้เหมือนกันแต่ได้ประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมันก็จะอยากอย่างอื่นอย่างฉับลันเลยนะแค่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลหรอก อีกวิธีหนึ่งนะใช้วิธีการทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งนะใจมันมีความอยากมันมีความดิ้นรนมันมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นมานะเราภาวนานะเช่นพุโทโธพุโทโธหายใจเข้าหายใจออกทำใจให้สงบทำใจให้สบายเนะี่ยใจหายอยากนะใจมีความสุขมีความสบายอันนี้สุขมีความสุขมีความสบายเพราะการทำสมถกรรมฐานก็ดีกว่าการตอบสนองกิเลสไปเรื่อยแต่ยังไม่ดีเลิศหรอกนะ ทำความสงบได้มันอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาได้อีกนะมีวิธีมากกว่านั้นอีกก็คือถ้าใจมันมีความอยากหรือมีกิเลสใดๆเกิดขึ้นเรามีสติคอยรู้นะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจนะคอยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยนะเราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเรานะเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นแล้วสติเกิดขึ้นนะความอยากจะดับโดยอัตโนมัติเพราะความอยากนั้นเป็นอกุศล อกุศลจะไม่เกิดร่วมกับกุศลอย่างเด็ดขาดเลยทันทีที่มีสตินะอกุศลจะไม่มีแนมะ้ พ, พวกเรามีสติฝึกให้มีสติแม้สติเป็นความรู้สึกนะเป็นความะระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายะระลึกได้ถึงความมีอยู่ของใจพวกเราชอบลืมกายลืมใจเรารักกายรักใจตัวเองมากที่สุดรู้สึกไหมเรารักที่สุดยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าเราเดินไปกับแฟนเราเนะี่ยมีอะไรตกลงมาใช่ไหมเราต้องหลบก่อนใช่ไม หรือว่ามีไฟสเก็ดไฟตกลงมาใส่หัวของเราเองเราต้องปัดของเราเองใช่ไหมสุดท้ายก็คือมันรักตัวเองมากที่สุดน่ะนั้นเราคอยดูนะใจมันเกิดความอยากอะไรขึ้นมาเนี่ยมีสติคอยรู้ไปความอยากมันจะดับโดยอัตโนมัติน่ะไม่เฉพาะความอยากกิเลสอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรามีสติรู้ลงไปมันจะดับอัตโนมัติเช่นความโกรธเกิดขึ้น เร า, ามีสติที่แท้จริงเรารู้ทันความโกรธที่เกิดขึ้นความโกรธจะดับโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปหาทางดับมันมันดับเองนะความโลภเกิดขึ้นความอยากเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะความอยากจะดับโดยอัตโนมัติความโลภดับโดยอัตโนมัตินะใจลอยใครรู้จักใจลอยบ้างใครเคยใจลอยบ้างไหนยกมอือให้ดูซินี่พวกไม่ยกคือพวกดูไม่ออกนะความจริงใจลอยทั้งวันอะ ใจลอยเป็นยังไงใจลอยก็คือหลงไปคิดไปเพ้อฝันไปในขณะนั้นมีร่างกายแต่ลืมมันไปมีจิตใจแต่ก็ลืมมันไปเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไร่ลืมใจเมื่อนั้นเรียกว่าหลงไปเรียบร้อยแล้วขาดสตินะงั้นต่อไปนี้ถ้าใจลอยรีบรู้ไหวๆใช้ลอยเป็นโมหะนะจิตฟุ้งซ่านเป็นอุทธัจจะชื่ออุทธัจจะงั้นใจลอยไปเรามีสติรู้ทันใจลอยไปแล้วพอรู้ทันปับ๊บนะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมา อย่งเผลอๆอยู่นะเกิดรู้ตัวว่าตอนนี้กําลังเผลออยู่เนี่ยตอนนั้นจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นโดยอัตโนมัตินะจะเกิดอัตโนมัติเลยทันทีที่เรารู้ทันกิเลสนะกิเลสจะดับไปจิตจะเกิดความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นโดยอัตโนมัตินี่เพราะงั้นต่อไปนี้นะกิเลสใดๆความอยากใดๆเกิดขึ้นในใจเรานะคอยรู้ทันไปเรื่อยความอยากมีหลายแบบนะอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายนะอยาก ได้อารมณ์ที่ดีๆทางจิตใจอยากได้มรรคผลนิพพานนี่อยากทั้งนั้นนะกระทั้งอยากได้มรรคผลนิพพานไม่ได้หรอกเพราะจิตยังมีกิเลสอยู่ให้มีสตินะมีสติคอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆกิเลสมันจะแฝงเข้ามาในใจเราไม่ได้ถ้ากิเลสแฝงเข้ามาในใจไม่ได้แล้วใจก็จะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะ นี่เป็นวิธีหนึ่งนะจะแก้ปัญหาได้เป็นคราวๆพะกิเลสเกิดเรามีสติรู้ทันไปตัณหาเกิดมีสติรู้ทันไปมันจะดับไปชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดใหม่นะแล้วจะทำยังไงให้มันดับถาวนะนี่หลวงพ่อพูดถึงวิธีที่จะแก้ตัณหามาหลายแบบแนละ้วอันแรกมีตัณหามีความอยากก็ไปตอบสนองมันนะอยากดูหนังอยากฟังเพลงไปตอบสนองมันมันก็หายอยากไอ้นี่แบบชาวโลก อีกแบบหนึ่งก็คือทําความสงบเข้ามานะใจมันฟุ้งซ่านไปคิดถึงสาวมาพิจารณาร่างกายเป็นปฏิปุลเป็นอาสุภะเนี่ยแก้กันเห็นเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะแล้วราคามันก็ดับไปหรือใจมันมีโทสะนะก็แก้กันโดยการเจริญเมตตาเนี่ยใจมันฟุ้งซ่านนะก็หายใจไปเจริญอาณาปาณสติหายใจไปรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวไปเรื่อยใจก็สงบนี่ก็เป็นวิธีแก้เหมือนกันนะได้สมถะ อีกวิธีหนึ่งมีสติตามรู้จิตใจไปกนะิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้กิเลสจะดับโดยอัตโนมัตินะนี่เราจะเจริญปัญญานะค่อยๆรู้ไปแต่ว่าแค่นี้ไม่พอนะมันดับได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันจะเกิดอีกเราจะต้องแก้ต้นต่อของมันให้ได้อะไรเป็นต้นต่อของตัญหาอะไรเป็นต้นต่อของความอยากที่เกิดขึ้นในใจไม่รู้จักจบจักสิ้นนะความไม่รู้ความจริงความไม่รู้อริยสัจ ความไม่รู้อ ร, ริยสัจหรือเรียกว่า อ, า ว, า อ, อ, าอาวิชานั่นเองอาศัยอวิชานี่แหละจิต จ, จึงปรุงตันหาขึ้นมาปรุงความอยากขึ้นมาได้อีกถ้าอยากจะขุดลากถอนคนไม่ให้เกิดตันหาอีกมีทางเดียวเท่านั้นต้องทําลายอาวิชชาให้ได้อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจสี่นะจะทําลายอวิชชาไม่ได้ทําลายด้วยสมาธินะจะไป น, นั่งเคลิบเคลิมอย่างนั้นไม่หายนะอาวิชชาเป็นความไม่รู้อริยสัจ4ี่คือไม่รู้อะไรไม่รู้ทุก ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกขนะ์เรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวดีตัววิเศษเป็นตัวเรานี่เราก็เลยรักเราก็เลยพวงแหวนมันมากถ้าเรามามีสตินะคอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจดูความจริงของกายดูความจริงของใจซ้ําแล้วซ้ําอีกลงไปถึงวันหนึ่งนะกิเลสมันทนสติปัญญาเราไม่ไหวหรอกมันต้องเห็นจนได้เราว่ากายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เอ้าดูไปนะดูในปัจจุบันไปร่างกายของใครตอนนี้มีความทุกข์บ้างรู้สึกไหมนั่งนานๆก็ทุกข์ใช่ไหม ร้อนขึ้นมาทุกไหมร้อนมากไปกว่าทุกหนาวก็ทุกนะเมื่อยก็ทุกเนี่ร่างกายมีความทุกขบีบขันอยู่ตลอดเวลาเลยค่อยมีสตินะคอยรู้สึกไปอยู่ที่กายจะเห็นร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกนะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวกระหายนะเดี๋ยวปวดอือปวดฉี่เดี๋ยวอย่าง น, น้นเดี๋ยวอย่างนี้นะตลอดเวลานานๆเจ็บไขห้หนักๆสักทีหนึ่ง เนร่างกายนะมันมีแต่ความทุกข์ค่อยๆมีสตินะค่อยรู้สึกตัวอยู่ด้วยดูร่างกายไปด้วยจะเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เสร็จแล้วก็มาถัดดูจิตใจบ้างจิตใจของเราขยับเคยเยื่นเคลื่อนไหวตลอดเวลาจิตใจไม่เที่ยงจิตใจของใครเที่ยงบ้างมีไหมจิตตอนเที่ยงนะจิตตอนเที่ยงก็มีอยู่ขณะเดียวถัดจากนั้นไม่ใช่เที่ยงแนละ้วเพราะฉะนัะ้นจิตจริงๆไม่มีอะไรที่คงที่อยู่เลย เฝ้ารู้ลงไปนะจิตใจนี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีสติตามรู้จิตใจไปนะเพราะฉะั้นการปฏิบัตินะถ้าไม่มีสติรู้กายก็ให้มีสติรู้ใจดูลงในกายดูลงในใจนี่แหละเอาสติปัญญานี่แหละซักฟอกลงไปในกายในใจจันย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อนะจันท์มหาบัวเคยสอนบอกว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะรู้ลงปัจจุบันไป กายกระใจของจริงมันอยู่ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในอนาคตง <con side keyboard 1970> <prevention> ั้นเรารู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ในปัจจุบันเฝ้ารู้ไปด้วยมันจะเห็นเลยร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจก็เต็มไปด้วยของไม่เที่ยงจิตใจไม่มีใครเที่ยงเลยนะสังเกตไหมแต่ละวันความรู้สึกของเราไม่เคยเหมือนกันนะบางวันสดชื่นบางวันเศร้าหมองนะบางวันกรดีกระดาบางวันเซ็งนะแต่ละวันไม่เคยเหมือนกัน ดูแต่ละวันไม่เหมือนกันได้แล้วต่อไปดูในวันเดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะเช้าสายบ่ายเย็นใจเราไม่เคยเหมือนกันเลยเอาง่ายๆตอนที่มาที่วัดนี้รู้สึกไหมตอนเหยียบเข้ามาในวัดทีแรกรู้สึกยังไงเห็นรถเยอะเห็นคนเยอะรู้สึกไง เ, เราจะต้องต่อสู้ละต้องแย่งให้ได้ใช่ไหมพยายามแย่งชิงใจคิดแต่ว่าใจต้องแย่งเอาให้ได้เนี่ยใช่มใจเป็นยากพอแย่งได้รู้สึกยังไงดีใจ ดีใจแล้วมารอตั้งชั่วโมงหลวงพ่อยังไม่มาเลยจะมาหรือเปล่าน้าเนี่ยกระวนกระวายล้เห็นไหมจากดีใจเปลี่ยนมาเป็นกระวนกระวายแล้วร้อนด้วยชักหงุดหงิดแล้วไอ้คนข้างๆก็ค อ, อยเบียดเราขยับตัวกระทบเราเรื่อยๆนะชักจะโมโหแล้วถ้ามันเป็นสาวๆ ส, สวยๆเราก็ไม่ว่านะบางคนก็ดูไม่ได้เลยไม่อยากให้มันมาถูกเราถูกละโมโหเนี่ยดูสิใจของเราเปลี่ยนตลอดเวลาเลยใจเราเปลี่ยนนะตามการกระทบอารมณ์ ตาเรามองเห็นใจเราก็เปลี่ยนหู Net, เราได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนลิ้นได้รับรสใจก็เปลี่ยนอย่างกินอาหารเวลาที่เราเจอของถูกใจอร่อยถูกใจรู้สึกไหมพอใจวันนี้เจอแต่ของไม่อร่อยใจไม่ชอบนะหงุดหงิดนะเห็นไหมลิ้นกระทบรสใจก็เปลี่ยนตามองเห็นเห็นคนนี้พอใจเห็นคนนี้เกลียดนีตากระทบรูปใจก็เปลี่ยนได้ยินเสียง นะเสียงคนเขาชมเราเราก็พอใจใจพองเลยเสียงคนเขาว่าเราใจเราก็เดือดปุดปวดขึ้นมาใจมันก็เปลี่ยนตามการกระทบทางหูเพราะฉะนั้นอารมณ์นะมันจะกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตลอดเวลามีใครไม่กระทบอารมณ์บ้างมีไหมมีไหมในทวานทั้ง6เนี่ยมีขนาดใดที่ไม่กระทบไหมลองดูสิมีตอนหลับนะหรือตอนจิตลงผวังนะถ้าตื่นตื่นอยู่อย่างเงี้ยมันกระทบไปเรื่อยกระทบกระทบกระทบไปเรื่อยนะกระทบทั้งวัน อากาศร้อนมากระทบยุงกัดยุงกั ด, กดรู้สึกยังไงสดชื่นไห้ยุงกัดได้รับคำด่าสดชื่นไหมเนี่ยเฝ้ารู้นะรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกการที่เราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆถึงจุดนึงปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยว่าจิตใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดจิตใจเป็นของบังคับไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้นะว่าจงมีแต่ความสุข เราห้ามมันไม่ได้นะว่าอย่ามีความทุกข์เราทําอะไรไม่ได้กับมันนะถ้าทําได้เราก็สั่งสิเอาทุกคนช่วยกันสั่งข้าวว่าต่อไปนี้ขอให้จิตใจนี้มีความสุขนิรันดร์อา้าวช่วยสั่งดูสิใครจะทําได้สังเกตไหมตอนสั่งมันมันยิ่งดิ้นใหญ่เลยมันหนีไปคิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะอมันสั่งมันไม่ได้นะจิตจะคิดก็ห้ามไม่ได้จิตจะไปดูจิตจะไปฟังจิตจะทําอะไรห้ามมันไม่ได้เสอย่าง เนี่ยการทำวิปัสสนากรรมฐานนะคือการตามรู้กายรู้ใจเชื่อเห็นเนี่ยมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของที่เป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้เนี่ยเรียกว่าการเจริญวิปัสสนานะตามรู้ตามดูไปอย่างนี้นะถึงวันหนึ่งจิตจะละความเห็นผิดมันทอนความเห็นผิดได้แล้วมันจะรู้เลยว่าทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกเราบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุจิตใจก็เกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ เขดูไปเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้เราอย่าไปภาวนาเพื่อให้จิตมันนิ่งนะภาวนาให้จิตมันนิ่งให้จิตมันสงบได้แค่สมถะมธรรมฐานนะมันก็ดีเหมือนกันแหละพอจิตนิ่งจิตสงบแล้วอย่าให้ติดอยู่แค่นั้นแค่นั้นไม่พอต้องมาเจริญปัญญามาคอยดูความจริงของกายดูความจริงของใจนะคอยดูเขาทํางานไปดูเขาเคลื่อนไหวดูเขาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้นะ หายใจออกอยู่ได้ชั่วคราวก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวก็หายไปเกิดเป็นร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่ยืนอยู่อยู่ชั่วคราวนะก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่เดินร่างกายเดินอยู่ชั่วคราวก็มากลายเป็นร่างกายที่ยืนร่างกายยืนอยู่ชั่วคราวก็มานั่งเห็นไหมนั่งแล้วอาจจะลุกขึ้นยืนหรือนั่งแล้วอาจจะนอนก็ได้นี่ร่างกายมันเปลี่ยนไปเลยมีแต่ของแม่เที่ยงนะดูอย่างนี้ก็ได้ ดูความทุกข์ที่มันบีบคั้นเข้ามาในกายตลอดเวลาก็ได้ดูเข้าไปเถอะดูเข้าไปถึงจนหนึ่งนะมันจะหมดความรักในกายมันจะเห็นเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะเฝ้ารู้ลงไปนะถึงวันหนึ่งใจมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาตรงที่มันมีปัญญาเนี่ยมันจะเห็นความจริงความจริงของกายมันเป็นทุกข์นะความจริงของกายมันเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนาธาตุขยับไปยื่นเคลื่อนไหวไปไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ความจริงของจิตใจก็เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้นี่เฝ้ารู้อย่างนี้นะถึงวันหนึ่งเนี่ยใจจะถอนความยึดถื อ, อนะเบื้องต้นจะเห็นก่อนว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวเรานะคนไหนที่ภาวนาจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราตัวเราไม่มีเพราะนั่นจะได้พระโสดาบันพระโสดาบันคือท่านผู้ละความเห็นผิดนะว่ามีตัวตนถาวรพวกเราไม่ใช่โสดาบันส่วนใหญ่พวกเรารู้สึกไหมในตัวเราเนี้ย มีเราอยู่คนหนึ่งในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเก่านะเราคนเดิมเรานี่เที่ยงนะเราตั้งแต่เด็กจนถึงเดี๋ยวนี้ก็คนเก่าเราวันนี้กับเราพรุ่งนี้เราปีหน้าก็เป็นเราคนเก่านี่เราคิดอย่างนี้เรารู้สึกอย่างนี้นี่แหละปุถุชนจะรู้สึกอย่างนี้นะถ้าหมหัธภาวนาเราจะเห็นว่าจิตมันเกิดดับเป็นขณะขณะไปนะจิตโลภเกิดแล้วก็ดับเป็นจิตไม่โลภนะจิตไม่โลภเกิดแล้วดับไปอาจจะเป็นจิตที่หลง จิตหลงเกิดแล้วก็ดับเป็นจิตไม่หลงจิตไม่หลงเกิดแล้วดับเป็นจิตหลงอีกนะหลงไปอีกแล้วก็โกรธอีกอะไรเงี้ยจิตจะหมุนไปได้เราเฝ้าดูไปนะเราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงแต่ละดวงนั้นเป็นคนละดวงจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเนี่ยคนละดวงกันจิตรอบกับจิตไม่รอบก็คนละดวงจิตหลงกับจิตไม่หลงก็คนละดวงเราเฝ้ารู้ลงไปนะจนเห็นเลยแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยมันไม่ใช่คนเดิมนะเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งมันจะละความเห็นผิดว่ามีตัวตนถานบล นะถ้าเรารู้ความจริงแล้วดูลงมาในนี้กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวตนที่ถาวรร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วหายใจออกกินอาหารแล้วขับถ่ายเห็นไหมมีแต่ธาตุหมุนไปเรื่อยๆจิตใจก็มีแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่มีตัวตนถาวรนะจิตโลภก็อันหนึ่งจิตโกรธก็อันหนึ่งจิตหลงก็อันหนึ่งจิตดีใจจิตเสียใจจิตสุขจิตทุกขจิตแต่ละชนิดแต่ละชนิดไม่ใช่อันเดียวกันเฝ้าดูไปนะจะ เ, เห็นเลย กายที่หายใจออกก็ไม่ใช่กายที่หายใจเข้ากายที่หายใจเข้าก็ไม่ใช่กายที่หายใจออกจิตที่สุขก็ไม่ใช่จิตที่ทุกจิตที่ทุกก็ไม่ใช่จิตที่สุขนะอย่าไปคิดเอานะต้องดูของจริงถ้าคิดเอาใช้ไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะใช้เวลาไม่นานบางคน7วัน7เดือน7ปีนะก็ได้เข้าใจธรรมะแล้วว่าตัวตนของเราไม่มีหรอกมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับตลอดเวลา ในพระไตรปิฎกถึงสอนเนี่ยบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงดับไปเป็นธรรมดานะเนี่ยถ้าโสดาบันเห็นตรงนี้ทําไมเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปแล้วเป็นโสดาบันมัน ล, ละสักกายทิฏฐิคือละความเห็นผิดว่ามีตัวเราเพราะเห็นแล้วใ น, ในใกายในใจไม่มีตัวเราที่ถาวรมีแต่เกิดแล้วเป็นขณะขณะขณะเราเฝ้าดูนะดูความเปลี่ยนแปลงในกายดูความเปลี่ยนแปลงในใจดูไปเป็นขณะขณะนั่นแหละ ถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดนะ่ะมันจะรู้เลยว่าไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรหรอกมีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นขณะขณะนะเฝ้าดูเดียวอย่างนี้นะพอได้โสดาแล้วมาเรียนต่อได้นะพ อ, อยังควรจะพอได้แล้วเทศจนถึงพระโสดาแล้วนะไม่ต้องไปทเาเมานะถ้าเราเอาแต่ฟังอย่างเดียวเราไม่ปฏิบัติเนี่ยชาตินี้ไม่ได้ผลหรอก นะฟังให้ยังไงนะมันก็แค่ฟังอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิยัติเท่านั้นเองนะต้องเอาไปลงมือปฏิบัติสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลนะเมื่อปี25ไปหาท่านครั้งแรกวันที่6กกุมภาพั25 25, นาะ2525ไปถึงไกลกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหนะลวงปู่ก็นั่งหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงเนะี่ยเราก็นึกว่าโอ้หลวงปู่แก่มากและเพิ่งฉันข้าวเสร็จเลยหลับไปลนะ าจริงท่านนั่งหลับตาไปนะท่านสอบประวัติเราดูเสร็จแล้วพอลืมตาท่านก็สอนเบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองท่านถามเข้าใจไหมตอนนั้นปลื้มนะว่าท่านหลับตามานานตอนนี้ท่านลืมตาพูดกับเราแล้วท่านถามว่าเข้าใจไหมหลวงพ่อปื้มมากเลยเข้าใจครับอย่างเงี้ยท่านบอกเออเข้าใจแล้วไปไปทาเอา ไม่มีบอกเลยนะว่าเออนั่งคุยกันก่อนสิจิบน้ําร้อนจิบน้ําชาก่อนไม่มีเลยนะมีแต่บอกว่าพอเข้าใจวิธีปฏิบัตินะไปทาําเมาครูบาอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยท่อนเข้มงวดกับการปฏิบัติมากเลยไม่มาโอ้ลมปฏิลมชักชวนเราให้เสียเวลางั้นพวกเราก็อย่าเสียเวลานะฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วไปดูของจริงในตัวเองนะดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานเมื่อไร่ลืมกายเมื่อไหรลืมใจเรียกว่าขาดสติ เมื่อไหร่รู้กายเมื่อไร่รู้ใจแต่รู้ด้วยการไปเพ่งให้มันนิ่งเมื่อนั้นเป็นสมถมะเมื่อไร่รู้กายเมื่อไร่รู้ใจเห็นกายทํางานเห็นใจทํางานเมื่อนั้นเป็นวิปัสสนานะดูการทํางานของกายดูทํางานของใจนะนั่นถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าเพ่งอยู่ที่กายเพ่งอยู่ที่ใจเป็นสมถนะอา้าวถามหน่อยเวลาเรารู้ลมหายใจเรานั่งสมาธิ เรารู้ลมหายใจนะจิตเราสงบอยู่กับลมหายใจเป็นสมถะหรือวิปัสนาตอบได้ไหมเนี่นี่สมถะผู้นี้ตอบตามตำรานะเป็นสมถะทําไมเป็นสมถะเพราะจิตแนบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตก็สงบจิตไม่หนีไปที่อื่นได้ความสงบถ้าจะเป็นวิปัสนานนัจะเห็นร่างกายนี้หายใจอยู่จิตนี้เป็นแค่คนดูเห็นร่างกายหายใจอยู่นะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูนะ ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านเรียกว่าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะบางทีท่านก็เรียกว่าผู้รู้จิตผู้รู้ผู้รู้นะแล้วเรามีจิตที่เป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่าตัวที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะมันจะละความเห็นผิดได้หรือดูจิตดูใจไปนะเราเห็นจิตมันทํางานไปเร<ม>ื่อยถึงวันหนึ่งมันก็ละความเห็นผิดนะจิตมันทํางานได้เองจิตมันคิดได้เองดูออกไหมสังเกตดูนะว่าจิตมันจะไปคิดได้เอง หลวงพ่จะเว้นวักห้วินาทีให้ดูว่าจิตคิดได้เองจริงไหมดูออกไหมมันไปคิดได้เองไปหัดดูนะหัดดูทุกวันทุกวันดูไปเรื่อยเลยต่อไปพอเราเผลอเผลอเลอก็คือลืมรู้กายลืมรู้ใจนะพอเรามีสติรู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปเราจะมาเพ่งกายเพ่งใจนี่เป็นสมถะ ถ้ารู้ทานว่าเพ่งอยู่นะใจมันจะค่อยๆ ค, คลายการเพ่งมันจะเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูมันจะเดินปัญญาต่อได้งั้นอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะภาวนาแล้วก็ไม่ใช่เอาความนิ่งไม่ใช่เอาความสุขไม่ใช่แค่เอาความสงบภาวนาแล้วต้องให้เห็นว่าทั้งกายทั้งใจนี้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแป ล, ปลงตลอดเวลาถ้าไม่งั้นไม่ได้เรื่องหรอกอาจารย์มหาบัวท่านบอกภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะสู้ถอดถอนความเห็นผิดความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานะ งันต้องถอดถอนมันให้ได้ด้วยการเห็นถูกวิธีจะเห็นถูกนะอันแรกมีสติคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจรู้สึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานนะใจเราเป็นคนดูเฉยๆเฝ้ารู้เฝ้าดูเราจะเห็นเลยกายที่ทํางานไม่ใช่เราจิตที่ทํางานก็ทํางานได้เองไม่ใช่เราเฝ้าดูอย่างนี้นะไม่นานใช้เวลา7วัน7เดือน7ปีต้องได้อะไรบ้างต้องได้บ้างพวกเราอาจจะไม่ถึงขนาดได้ฝ้ารหัสนกนะ ได้ข่าวว่าหลวงปู่หลอดท่านเคยพูดว่าว่าคนรุ่นเรานี่นะภาวนาก็จนแก่เลยเพิ่งจะได้โสดาบางทีบางทีโสดายังไม่ค่อยจะได้เลยได้แต่โซดาแล้ววันวันวันวันมีแต่หลงระเริงไปเรื่อยๆงั้นถ้าอยากได้ธรรมะอยากได้ของดีอยากได้ของวิเศษนะอย่ามัวเพลิดเพลินอยู่กับโลกนะคอยมีสติรู้กายมีสติรู้ใจดูกายทํางานดูใจทํางานไม่ใช่เพ่งกายให้นิ่งไม่ได้เพ่งใจให้นิ่งดูมันทํางานดูมันไม่นิ่งดูมันไม่เที่ยงืออย่างนี้ อย่าให้มันนิ่งอย่าให้มันเที่ยงดูมันเคลื่อนไหวไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ดูจิตไม่ออกนะให้มาดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ออกดูกายก็ไม่รู้เรื่องมั่วไปหมดแล้วตอนนั้นให้ทําความสงบขึ้นมาจะพุทโธก็ได้นะพุทโธพุทโธพุทโธไปพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะรู้ไปรู้มาน้ําจะกลับมาดูจิตได้นะนั่นจำหลักของการปฏิบัติไว้นะถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตไปเลยเพราะกิเลสเกิดที่จิตกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิต นิพพานปรากฏขึ้นที่จิตนิพพานไม่ได้เกิดที่จิตนะนิพพานปรากฏขึ้นให้จิตรู้นะแต่ว่าอย่างอื่นกุศลอกุศลมรรคผลใลเนี้ยเกิดที่จิตมีเกิดแล้วก็มีดับนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับนะเฝ้ารู้อยู่อย่างนี้เรื่อยไปนะวันหนึ่งจะได้ของดีของวิเศษนะเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนหลวงพ่อมาอย่างนี้นะเมื่อก่อนเข้าไปหาครูบาอาจารยนะ์ไม่เฉพาะหลวงปู่ดุล น, นะหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปเรียนจากครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยเราประมาณ40องค์ ข้าไปเรียนกับท่านนะไปแต่ละวัดแต่ละวัดท่านสอนเหมือนกันหมดเลยท่านสอนให้มีสติให้รู้สึกตัวไว้นะให้มีผู้รู้ผู้ดูนะให้ใจเป็นคนรู้คนดูสอนเหมือนกันทุกที่เลยพวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยเราลืมคําว่าจิตผู้รู้ไปแนละ้วเห็นไหมเรามีแต่ว่านั่งสมาธิไว้นะแล้วก็เห็นนิมิตเห็นนิมิตได้เราก็ถือว่าเก่งไม่ได้เรื่องหรอกเอาแต่สมาธิจะได้เรื่องอะไรไม่มีปัญญาอยากมีปัญญาต้องรู้ลงในกายรู้ในใจนะเห็นมันทํางานไปเรื่อยมันถึงจะเกิดปัญญา ปัญญาเห็นอะไรปัญญาเห็นกายเป็นไตรลักษณ์เห็นใจเป็นไตรลักษณ์ถ้าปัญญาแก่กล้าพอมันจะเบื่อนะพระพุทธเจ้าสอนเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะั่นเราภาวนานะไม่มีทางให้เลือกอย่างที่สองหรอกเมืนะ่อก่อนนี้ไปหาหลวงปู่สุวัตนะหลวงปู่สุวัตสุวัตโจอหลวงปู่สุวั์วเคยสอนหลวงพ่อไปตอนท่านเข้าไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสั่งท่านเลยบอกว่า ดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทําความสงบ ท, ส ina, Kingston, ทําสมถะมาทำความสมถะนะจิตสงบจิตมีความสุขขึ้นมารู้ว่าจิตมีความสุขรู้ว่าจิตมีความสงบนี่กลับมาดูจิตได้แล้วนะเฝ้ารู้เฝ้าดูวนเวียนอยู่อย่างเนี้นะซักฟอกตัวเองอยู่อย่างยิ่งอดทนนะไม่มีอะไรดีเท่ากับทาให้ถูกหลักมาทําถูกหลักแล้วต้องอดทนต้องภาคเพียนเอาอยากได้ของดีต้องทนดูเอา ไม่ใช่อยากได้ของดีมานั่งขอเอาไม่ได้นะชาวพุทธขี้ขอไม่ได้เรื่องหรอกอยังจะมาทําบุญนะทำบุญแล้วสาธุขอให้ได้มรรคผลนิพพานนิพพานชูชกสินิพพานที้ขอเห็น ไ, ไหมอยากได้นิพพานของจริงก็ต้องดูลงในกายดูลงในใจนี่ให้สติปัญญาซักฟอกลงในกายในใจอย่างนี้นะมันถึงจะได้นะมรรคผลนิพพานมีจริงๆนะไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กนะอยู่ที่เราภาวนาให้พอาภาวนาทําให้ถูกนะทําให้ถูกแล้วทาให้พอมันต้องได้อนะ่ะ นะถ้าทําไม่ถูกเนะี่ยไม่มีทางเลยเช่นไปวันๆก็เอาแต่ความสงบนิ่งเฉยเลยพอออกจากสมาธิมาใครกระทบนิดเดียวโมโหแนละ้วนะพวกที่ติดสมถนะนั้นขี้โมโหมากกว่าคนปกติอีกเพราะพวกนี้เก็บกดมากไม่ในชะ่อเอาแต่เก็บกดนะปล่อยให้มันทํางานแล้วมีสติตามรู้ไปถ้ารู้ไม่ไหวนั่แหละถึงจะทําสมถะถ้าทําสมถะไปพอจิตมีเรี่ยวมีแรงนะมารู้กายมารู้ใจอย่าให้ติดนิ่งติดเฉยอย่าให้ติดแต่ความสุขความสงบ นะอย่าเอาความสุขความสงบมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์ให้รู้กายให้รู้ใจเห็นไม่กายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่ารู้ทุกข์เพราะฉั้นต้องรู้กายต้องรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปไม่ใช่ว่านิ่งๆสงบไปเรื่อยๆกี่ปีกี่ชาติก็ไม่ได้มักฝนนิพพานหรอกหลวงพ่อทําสมถะตั้งแต่เจดขวบนะตอนเจขวบเนี่ยอายุปีศูนสองพ่อพาไปกราบท่านพ่อหลีที่วัดอโศการามท่านพ่อหลีเป็นพระที่ดีที่วิเศษองค์หนึ่งนะ แต่เราเป็นเด็กเราเรียนได้นิดเดียวท่านสอนให้พุโทโธท่านสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับหนึ่งพุโทโธนับสองนับไปถึงสิบเราก็นับลงนะท่านสอนอย่างนี้เราก็มาทำทุกวันเลยทำอยู่ยงนั้นเราไ ม, ไม่ไม่นานนะท่านสิ้นไปท่านยังไม่ได้สอนให้เราขึ้นวิปัสสนาขึ้นไม่เป็นจะทำแต่ความสงบอยู่22ปีที่ทำสมาธิอยู่ได้อะไรได้แต่ของเล่นของจริงไม่ได้นะได้แต่ของเล่นนะของจริงไม่มีเลย แล้วนะจนวันปี25งหแล้วนะมาเจอหลวงปู่ดุลีเข้าท่านสอนให้ดูใจมันทํางานเนี่ยความมีสติรู้อยู่ที่แก่ใจนะเห็นใจมันทํางานด้มันก็จะรู้กายด้วยเวลาดูจิตดูใจไม่ใช่ดูเห็นแต่จิตนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกตอนนี้คนที่เรียนกับหลวงพ่อนเนี่ยนะอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยตอนหลับเนี่ยหลายคนยังรู้สึกตัวได้เลยนะตอนนอนหลับอยู่เนี่ยพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่อรู้ตัวได้ตลอดเวลาเลยนะสติมันทํางานได้อัตโนมัติต้องฝึกจนอัตโนมัตินะ กิเลสไห ล, หลามาแว บ, บสติรู้ไหลามาวับสติรู้ไปตลอดนะนะขาดสะบั้นไปขาสะบั้นไปเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะเท่าดุไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกง่ายๆแต่ต้องอดทนข้อแรกทําให้ถูกหลักเมื่อทําถูกหลักแล้วต้องอดทนทําแล้วทําอีกไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวดูวันหนึ่งดูครั้งเดียวนะแล้วก็หลงทั้งวันอีกหลายๆวันกลับมาดูอีกสองสานาทีแล้วก็ลืมไปอีกอย่างนี้ไม่ได้กินหรอก แเราพยายามนะพยายามมีสติอยู่ในชีวิตประจําวันให้ได้ถ้าขาดสติอยู่กับชีวิตประจําวันนี้ขาดสติคิดแต่ว่าตกคําจะไปนั่งสมาธิไม่พอกินหรอกเพราะกิเลสเอาไปกินทั้งวันนะเพราะนั้นต้องมีสติอยู่ในชีวิตประจําวันให้ได้เท่าที่สังเกตมาคนที่จะภาวนาแล้วได้ผลดีเนี่ยคือคนที่ไม่แยกชีวิตเป็นสองส่วนพวกเราชอบแยกชีวิตเป็นสองส่วนนะชีวิตส่วนนี้เป็นเวลาของการปฏิบัติตอนนี้ไม่ต้องปฏิบัติ ถ้ายังมีเวลาที่ไม่ต้องปฏิบัติเนี่ยอย่ามาพูดถึงมรรคผลนิพพานในขณะนี้เราไม่ได้กินหรอกกิเลยเราไปกินหมดนะเพราะงั้นเราภาวนานะเราภาวนารวดไปเลยนะเพราะงั้นเวลาตั้งแต่ตื่นนอนนะคอยรู้สึกตัวไปเห็นกายมันทํางานเห็นใจมันทํางานนะจะไปทํางานออกจากบ้านมาเห็นรถติดเต็มถน น, นเนี่ยใจหงุดห ง, ง, งิดรู้ว่าหงุดหงิดเห็นไหมไม่ละเลยนะภาวนาไปเรืยรู้ทันกายรู้ทันใจไปเรื่อยนะถึงเวลาทํางานต้องคิดเรื่องงานอันนี้ไม่มีเวลาภาวนาละ ต้องไปจดจ่องานมาทํางานไปช่วงหนึ่งเกิดขี้เกียจให้มีสติรู้ว่าขี้เกียจงี่กลับมามีสติอีกแล้วเก็บมันตลอดเลยนะวันหนึ่งมีช่องว่างนาทีสองนาทีไม่ทิ้งเปล่าๆมีช่องว่างนาทีสองนาทีนะมารู้กายมารู้ใจมาดูกายทํางานมาดูใจทํางานต้องทําให้ได้อย่างนี้นะอดทนนะต้องกล้าหาญจริงๆต้องอดทนจริงๆอยากข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่งานเล่นๆหรอกนะต้องอดทนเอานะเพราะงั้นให้รู้กายให้รู้ใจไปอา้าวสมควรแก่เวลา อยากกลับบ้านยังใครจะถามหลวงพ่อใครจะคุยเอาคนที่ไม่เคยคุยกับหลวงพ่อนะคนที่เคยคุยมาแล้วนะให้คนอื่นเขาบ้างบางคนนะ่ะเจอที่ไหนจะคุยที่นั่นไม่ได้เรื่องหรอกเอาเวลาไปภปาวนาอ่ะดังๆแก่แล้วอูตึงเบาลงแล้วนะจิตค่อยคลายออกแล้วไม่เพ่งอย่างแตะก่อนรู้สึกไหมมันเบาลง เบาลงนะแล้วก็จิตมันเริ่มขยับเข ย, ยืนเคลื่อนไหวเริ่มเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ถ้าเพ่งอยู่จิตจะนิ่งทั้งวันทั้งคืนมันเที่ยงใช้ไม่ได้นะใช้ได้อยู่ดูดูเนืองเนืองนะรู้บ่อยๆการปฏิบัติไม่มีอะไรมีแนตะรู้บ่อยๆว่าไงดังๆหน่อยนะอย่าอย่าไปบังคับใจให้นิ่งนะของคุณคิดถึงการภาวนาแล้วก็น้อมใจให้นิ่งไป อย่าไปดูมันนิ่งเห็นร่างกายไหมร่างกายมันพนมมือใจของเราเป็นแค่คนรู้ตอนเะนี้ใจไปคิดทราบไหมใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันว่าใจไปคิดนะเนี่ยใจไปคิดอีกแล้วทราบไหมนะให้รู้ไปอย่างนี้น ะ, ะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกข้างหลังคงจนปัญญานะถึงยกมือพูดก็ไม่ได้ยินหรอกดูจิตไปใจฟุ้งซ่านหร อ, อนะ คนจะดูกายได้ดีต้องทําความสงบก่อนเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านทํากันนะทำความสงบพอจิตมีสมาธิจิตตั้งมันนะ่นแล้วถ้ามาดูกายของคุณเนี่ยมันเป็นนักคิดอาชีพคิดไปเรื่อยคิดทั้งวันรู้สึกไหมใจที่คิดมากๆฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยกรรมฐานที่เราทําไดนะ้คือดูจิตไปเดี๋ยวจิตก็เปลี่ยนไปอย่างน้อนจิตเก็เปลี่ยนไปอย่างนี้คิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธรู้สึกไหมตามดูความเปลี่ยนแปลงออกเข้าไปนะง่วงนอนไปเดิน ง่วงนอนอยานั่งง่วงนอนล้วเคลื่อนไหวไว้นะทำความสงบเข้ามากรรมาฐานเดิมที่เราทำนะทำไปสงบพอใจสงบแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะแล้วต่อไปพอจิตมันไหลไปคิดปุ๊บสติมันะระลึกได้เองหลงไปคิดแล้วจิตเป็นยังไงบอกมาสิขณะนี้ จิตรู้สึกยังไงตื่นเต้นกระซับกระลุกลี้ลูกลนดว้ออกไหมรู้ไปอย่างที่เป็นรู้ด้วยความเป็นกลางนะมันเป็นยังไง ร, รู้จิตหลงไปคิดแล้วทราบไหมนะให้รู้ทันอย่างนี้ด้วย อ, อะไรนะตึงๆเพราะว่าเพ่งเอาไว้มันจงใจปฏิบัตินะ้ำก็ไปเพ่งเพ่งแล้จิตก็นิ่งเอาทางนี้บ้างากันบ้านขอเราทำเปล่า่ะไม่ทาเออไม่ท ำ, ไ ม, ไ, มทำไม่ได้นะ อยากได้ของดีก็ต้องอดทนเอาใจหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมไปดูกายไหมถนัดดูกายนะเห็นร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมดูร่างกายนี่นะเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวดูอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวไม่จะเห็นจิตชัดด้วยเห็นกายชัดด้วยนะอย่าไปเพ่งให้นิ่งตอนนี้ยไปเพ่งแล้วใช้ไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เพ่งให้นิ่งปัญญาจะไม่เกิดฮะของโยมทําไม พี่นาอะไรอ่ะไหนนั่งให้ดูสิตรงนี้ผิดแล้วไปน้อมใจให้ซึมผิดไปแล้วตรงเนี้พอเริ่มนั่งก็ไปน้อมใจให้ซึมซึมลงไปเราคิดว่าความซึมคือความสงบความซึมเป็นโมหะนะต้องนั่งไปด้วยความรู้สึกตัวไม่ให้ใจเคลิ้มลงไปนั่งด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะ สงสัยให้ทราบไหมเออสงสัยให้รู้ว่าสงสัยเนี่ยรู้ลงไปเพ่งให้จิตนิ่งแล้วรู้สึกไหมตอนเนี้ยเพ่งไปแล้วอึดอัดแล้วถ้าเพ่งเมื่อไหร่ใจก็อึดอัดถ้าไม่เพ่งนะใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอา้าวคนโน้นดูเอาเองสิมาให้หลวงพ่อช่วยดูทำไมจิตใครจิตมันรู้ว่าฟุ้งซ่านดีแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นกลางกับความฟุ้งซ่าน หลักของการดูจิตดูใจนะถ้าสภาวะเกิดเนี่ยให้ร tense, ู้สภาวะอย่างนั้นตามความเป็นจริงแต่ถ้าใจเราไม่เป็นกลางรู้สภาวะแล้วยินดีให้รู้ทันยินร้ายก็ให้รู้ทันนะในสุดใจจะเป็นกลางต่อทุกๆสภาวะความสุขเกิดขึ้นเรารู้ใช่ไหมใจมันยินดีขึ้นมาเรารู้ความทุกข์เกิดขึ้นใจมันยินร้ายเรารู้ทันนะนั้นการปฏิบัติการดูจิตดูใจเนี่ยอันที่หนึ่งสภาวะใดๆเกิดขึ้นให้รู้ทัน ข้อสองถ้าสภาวะเกิดขึ้นแล้วเราไปรู้แล้วนะมันหลงยินดีให้รู้ทันมันหลงยินร้ายให้รู้ทันสุดท้ายมันจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางนะการรู้สภาวะด้วยความเป็นกลางนี่แหละเป็นการปฏิบัติที่ดีหลวงพ่อไปเจอลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาองคึงนะไปเจอท่านท่านเล่าให้ฟังเลยท่านบอกท่านอนุโมทนาหลวงพ่อนะสอนโยมเนี่ยภาวนาตื่นขึ้นมาเยอะเลยรู้เนื้อรู้ตัวภาวนาขึ้นมาได้เยอะแยะเลยเป็นหมื่นหมื่นคนนะเยอะแยะไปหมด ท่านบอกว่าหลวงพ่อชาเคยบอกท่านไว้บอกว่าต่อไปเนี่ยจะสอนคนที่อยู่ในเมืองจะสอนพวกปัญญาชนเนี่ยนะให้สอนให้เขาดูจิตใ จ, ใจตัวเองแล้วให้เขาดูจิตด้วยความเป็นกลางไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะสอนอย่างนี้นะบอกว่ามันจะเป็นวิธีที่เหมาะกับคนในเมืองนะมันจะทําให้ภาวนาแล้วเห็นผลได้รวดเร็วจะเกิดศรัทธาขึ้นทีหลังถ้าอาศัยว่าให้มีศรัทธาก่อนแล้วไปนั่งสมาธินานๆวัละหลายชั่วโมงไม่ทําหรอกนะถามว่าพวกเราจะทำไหมไม่ทําหรอกใช่ไหม เราเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปด้วยใจที่เป็นกลางเห็นะ bueno, <ร> onia, ความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความสุขพอมีความสุขแล้วยินดีให้รู้ว่ายินดีพอความทุกข์เกิดขึ้นก็ให้รู้ว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นพอความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราไม่ชอบเรายินร้ายให้รู้ว่ายินร้ายนี่ใช่หลักแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นใจเราจะเปลี่ยนตลอดเวลานะมันกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ความรู้สึกมันจะเกิดพอความรู้สึกเกิดเรามีสติรู้ทัน ตาเห็นรูปใจเปลี่ยนแปลงขึ้มารู้ทันหูได้ยินเสียงจิตใจเปลี่ยนแปลงรู้ทันใจเราไปคิดจิตเกิดความเปลี่ยนแปลงก็รู้ทันพอรู้สภาวะใดๆนะเช่นมันเกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดกุศลก็รู้เกิดอกุศลก็รู้พอรู้แล้วนะใจยินดีไหมใจจะเกิดปฏิกิริยาแลมีความสุขก็ยินดีมีความทุกข์ก็ยินร้ายมีกุศลก็ยินดีมีอกุศลก็ยินร้ายภาวนาเห็นความโกรธเกิดขึ้นแล้วอยากหายโกรธเนี่ยใจไม่เป็นกลางใจยินร้ายไม่หายหรอก นะงั้นจับหลักให้แม่นนะอันที่หนึ่งรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นเขาสองเมื่อรู้สภาวะแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันฝึกอย่างนี้นะไม่ยากหรอกอา้าวพอได้นะแต่จิตไม่ตั้งมั่นจิตขณะนี้มันไม่ตั้งมั่นรู้สึกไหมจิตมันออกไปข้างนอกจิตที่ออกข้างนอกจะไม่เกิดปัญญาให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นหรือจิตมันจะกลับมาตั้งมั่นเอง ธรรมดาจิตมีหน้าที่คิดเราไม่ได้ฝึกให้มันไม่คิดนะไม่ได้ฝึกให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินแต่พอมันคิดไปเราเห็นมันคิดได้เองให้รู้ว่าจิตคิดนะไม่ใช่รู้แค่เรื่องที่มันคิดคนทั่วไปรู้เรื่องที่จิตคิดแต่ผู้ปฏิบัติรู้ว่าจิตคิดคิดอะไรไม่สําคัญนะสำคัญที่รู้ว่าจิตคิดถ้ารู้อย่างนี้นะจะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตหนึ่งคิดได้เองเออไม่มีปัญหาไม่หลับเพราะช่างมัน ไม่เป็นไรไม่เห็นจะเป็นไรเลยเรากลุ่มใจกับเรื่องนอนไม่หลับมากไปไม่หลับเราก็ดูไกลมันนอนจริงๆร่างกายนอนนะบางทีร่างกายกลนคลอกๆเลยแต่สติมันเกิดอ่ะเพรมันเห็นเหมือนกับมันรู้สึกเหมือนไม่นอนหลับความจริงก็นอนเหมือนกันแต่ร่างกายมันนอนนานจิตมันนอนสั้นงั้นอนแวบเดียวก็จะตื่นขึ้นมาเรามามีสติรู้กายรู้ใจที่ฝึกอยู่ใช้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามันจะเป็นมันจะเป็นช่างมันอ๋อมันเพราะว่ากังวล เออนั่นแหละเพระาะว่าใจมันกังวล น, นะวิธีที่จะพักของคนที่สติแก่กล้าคือการทำสมาธิทสมถะนะถ้าไม่งั้นมันไม่ยอมพักหรอกเอาไงดีเยอะจังอันนี้บ้างเป็นยังไงพิจพารณายังไงของคุณโดยจริตเนี่ยนะเป็นคนช่างคิดคนช่างคิดเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะนะั่นคือการดูจิตใจตัวเอง ไปดูความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตอย่าไปเพ่งให้นิ่งอย่างติดจะไปเพ่งให้มันนิ่งกดเอาไว้หน่อยหนึ่งรู้สึกไหมไปกดกดมันให้นิ่งอย่าไปกดมันปล่อยให้มันทํางานนะที่ฝึกอยู่พอได้ปิติให้แค่รู้ว่ามีปิตินะดูไปปิติเกิดปิติมันก็เกิดของมันเองนะไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็แค่รู้ด้วยความเป็นกลางให้ ถ้าอยากให้มันอยู่ก็คือยินดีถ้าอยากให้มันหายก็คือยินร้ายนะใส่ได้แค่นี้นะพอสมกวน